أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وب وبه نستعين ولا عدوان لل ول إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري وييسر لأمري وحل ا ل أ ق ر, ق ر ا م لساني يفكوا لي رب زدنا علما نافيا وسكن طيبا وعملا متقابلا ل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รักยิ่งครับผู้ลอุบฮานะฮูาตาลาผู้ทรงสูงสง่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ครับองได้กล่าวว่าในสุระอะลอาลาครับว่าก็อฟละฮะมันตะจักะว่าจะกรสมารับบิฮีฟาสลลาเลตุสรุนใน ح ยาตเดนยาัละเรตุค่อยรูวะอปะกอการที่เราจะประสบผลอะไรสักอย่างนะครับมันก็ย่อมมีเงื่อนไขของมันถูกไหมครับเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่าง ที่จะให้สําเร็จรุล่วงไปได้มันย่อมมีเงื่อนไขที่เรานั้นต้องทําให้ครบถ้วนเหมือนถ้าจะละหมาดก็มีเงื่อนไข ข, ของการละหมาดก็คือก็ต้องมีเรื่องของการเข้าเวลาก็ต้องมีเรื่องของน้ําละหมาดก็ต้องมีอะไรต่างๆนานหรืออยากประสบความสำเร็จในชีวิตก็ต้องมีการพยายามขวนขวายมีการศึกษามีการทํางานชีวิตเราจึงเต็มไปด้วยเรื่องของเงื่อนไขจะทําอะไรก็ต้องมีเงื่อนไขเพื่อจะให้มันประสบผลสําเร็จมากที่สุดหรือเวลาเราจะตั้ง อยากจะให้ใครทำอะไรให้กับเราเราก็มกักจะมีเงื่อนไขของเราเองธรรมชาติครับพี่น้องเงื่อนไขคือสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติของมนุษย์แล้วเช่นเดียวกันครับถ้าเรามองถึงเป้าหมายสูงสุดของมนุษยชาติมันก็ต้องมีเงื่อนไขถูกไหมครับจะไปให้ถึงเป้าหมายบางคนอาจจะมีเป้าหมายว่าอยากจะร่ํารวยบางคนอาจจะมีเป้าหมายว่าอยากจะมีครอบครัวที่ดีมันก็ต้องมีเงื่อนไขต้องมีการขนขวถ่ต้องมีการสออแสวงหา แต่อะไรควรจะเป็นเป้าหมายสูงสุดที่แท้จริงของมนุษย์อันนี้คือประเด็นที่สําคัญครับอะไรคือสิ่งที่เราควรจะตั้งไว้ว่านี่แหละคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเรามนุษย์จําเป็นต้องมีเป้าหมายเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ขับเคลื่อนได้ด้วยกับแรงปรารถนาหรือว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้หนึ่งในชื่อที่เหมาะกับมนุษย์ที่สุดที่ท่านอับดุลเบี๊ยงมัสลลอห์สแลมบอกไว้ก็คือฮุมามผู้ที่มีความปรารถนา ผู้ที่มีความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยเราถามตัวเองกันครับอะไรคือเป้าหมายจริงๆในภาคปฏิบัติที่ไม่ใช่ทฤษฎีนะที่ไม่ใช่ตั้งไว้บนหิ่งนะครับไม่ใช่บางคนบอกเป้าหมายของฉันก็คือเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักไงเป้าหมายคือได้เข้าสวรรค์ไงเป้าหมายคือลงนรกหนึอ่าไม่ต้องไม่ได้ลงนรกหงบางคนบอกนี่คือเป้าหมายหรือคือความหวังหรือคือความฝันต้องแยกให้ออกนะ มือนต่างกันระหว่างความหวังความฝันกับเป้าหมายถ้าเป้าหมายนี่คือคือสิ่งที่เราตั้งไว้แล้วเราทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มันเราในสนามุสลิมเราก็ต้องมาตรวจสอบครับเรารู้ข้อเท็จจริงของดุลยามากกว่าใครเรารู้มากกว่านักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ไม่มีทางรู้เลยเขารู้เพียงแต่แบบว่าโอเคมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างพยายามหาองค์ประกอบหานั่นหานี่แต่เริ่มมาจากไหนไม่รู้มีแต่ทฤษฎีมากมายที่ว่าพยายามจะหาคําตอบแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ ทฤษฎีมีมากมายมหาศาลครับเขาพยายามรู้แต่ข้อเท็จจริงรู้แต่แฟกต์ของปัจจุบันแต่เขาไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงเหมือนกับที่มุสิมรู้ที่ว่าดุนยานั้นมันคือโลกแห่งการสูญสลายสูญเสียมันคือที่แห่งบททด ส, สอบมันคือที่ที่เรามาเพื่อที่เราจะไปเพราะนั้นการวางเป้าหมายไม่มีทางจะเหมือนกันแล้วถ้าผู้ใดก็ตามที่หลงลืมว่าโลกหน้ามีจริง เป้าหมายของเขาจะกลายเป็นโลกนี้เขาก็จะต้องโฟกัส ก, กับโลกนี้เขาก็จะจบให้โลกนี้อะไรก็ได้ขอให้มันได้โลกเนี่ยนี่แหละคือเป้าหมายของเขาทําไมละ่ะเพราะดุนยามันใกล้ไงมันเป็นอะไรที่มันใกล้ตัวถูกไหมครับอะไรที่มันใกล้ตัวมันเห็นผลเนี่ยบางทีเราก็ใช้ความสําคัญกับมันยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าเกิดสมมติมีคนมาบอกเราว่าโอเคนะเดี๋ยวตอนเนี้ยจะให้ตังค์หนึ่งแสแต่ถ้าคุณอดทนได้นะรอสักห้าปีนะ จะให้สอง0 0นพี่น้องคิดว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกอะไรหนึ่งแสตอนนี้หรือว่ารออีกห้าปีแล้วได้ 20,000 นแน่นอนครับส่วนใหญ่เอาตอนเนี้ยชัวร์ก่อนไอตอนเนี้ยอยากได้ก็มังจําเป็นเลยกําลังอยากได้เลยเพราะอะไรครับเราอยากได้อะไรที่มันเร็วๆคูลเลคเอินซา่าโนมินาอ้าวใจมนุษย์ถูกสร้างมาไหนะให้ใจร้อนเห็นปุ๊บอยากได้เลยทําปุ๊บต้องได้ผลเลย เพราะนดุนยาจึงเป็นที่รักกับเรามากกว่าอาคิระใช่หรือเปล่ามันเห็นผลได้ไงมีความสุขที่ได้กินมากกว่ามีความสุขให้คนอื่นได้กินเห็นดุนยามากกว่าอาคิระมีความสุขที่ได้เที่ยวมากกว่าความสุขที่ได้ไปทําอิบาดะเพราะเห็นดุนยามากกว่าอาคิระเงื่อนไขของผู้ที่ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงเนี่ยเขาต้องรู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเขาคืออะไร อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของมนุษย์เกิดมากินเสพสมมีลูกหลานแล้วก็ตายแค่นั้นเหลยนั่นคือโปรดักกระบวนการของมนุษย์ใช่ไหมเกิดมากินขับทายมีครอบครัวมีลูกหลานแล้วก็ตายไปซะคือเป้าหมายเราวนอยู่แค่นี้เหรอเป้าหมายคือฉันอยากจะมีความสุขฉันอยากได้ไปเที่ยวฉันอยากได้กินของอร่อยฉันอยากได้มีคู่ครองคนนั้นอยากมีคู่ครองคนนี้คือวนเวียนแค่นี้หรือเปล่า ถ้าเป้าหมายมีแค่นี้ครับมันก็จบอยู่แค่นี้การประสบความสำเร็จมันก็อยู่แค่นี้แต่ถ้าเรามองให้มันเป็นภาพที่กว้างนะมองให้มันเป็นภาพที่มันเป็นเป็นภาพที่แท้จริงอ่ะเป็นภาพใหญ่อ่ะไม่ใช่ภาพโฟ ก, กัสเล็กๆเนี่ยเราจะเห็นถึงอะไรต่างๆนานาที่มันรอคอยเราที่มันมากกว่าดุนยาอะไรที่มันรอคอยเราอยู่ในช่วงเวลาแห่งความตาย อะไรที่มันรอคอยเราอยู่ในช่วงเวลาแห่งการถูกสอบสวนในหลุมฝังศพอะไรที่มันรอคอยเราอยู่ในช่วงระหว่างก่อนที Philos ่จะเกิดวันเกียรมะอะไรที่รอคอยเราอยู่ในช่วงที่เราจะถูกสอบสวนในวันเกียรมะอะไรที Panch ่รอคอยเราอยู่กว่าที่เราจะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์เรายังมีอะไรที่รอคอยอีกมากมายแล้วเราจะมาตั Belt ้งเป้าหมายแบบที่เราทากันอยู่ท nice ุกวันนี้มันเพียงพอแล้วหรือ มันใช่แล้วใช่ไหมสำหรับชีวิตมุสลิมที่แบบว่าเราตั้งเป้าหมายหลักไว้ใน d u n y าแล้วก็เผื่อดุเนาะอารรอไว้บ้างมันเพียงพอแล้วจริงหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดกว่านี้มันต้องมีเงื่อนไขที่มันชัดกว่านี้ต้องมีการปฏิบัติที่ชัดกว่านี้ครับสําหรับพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับอย่างน้อยที่สุดแหละพี่น้องที่ร่วมรับฟังพี่น้องที่ทําการศึกษาผมมั่นใจว่าเราเนี่ยมองภาพกว้าง เราเนะีมองภาพรวมเรามองภาพใหญ่แล้วเราอยากจะไปให้ถึงจุดที่มันสูงสุดของคําที่พูดว่าการประสบความสําเร็จในชีวิตพี่น้องอยากประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆใช่ไหมละ่ะเนี่ยเราตั้งเป้าหมายก่อนความปรารถนาสูงสุดเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราไม่ใช่แค่วงเวียนแค่ได้กินได้เที่ยวได้ขับถ่ายได้มีครอบครัวแล้วก็ตายเราต้องหลุด ให้มันเกินจากวงโครจรวงโครจรนี้เราไม่ลืมพี่น้องเราเอาบ้างเราเอาบ้างแต่เป้าหมายหลักของเราเราต้องตั้งไว้เลยว่าเป้าหมายหลักของเราก็คือเมื่อนี่คือห้องสอบเราเห็นแล้วเอาล้อให้เรารู้แล้วเรารู้ว่ามันคือห้องสอบงั้นเป้าหมายของห้องสอบมีเพื่อทดสอบมันก็ต้องมีคนสอบผ่านกับคนสอบตก อะไรละ่ะคือเงื่อนไขที่จะทําให้เราสอบผ่านเราต้องมาโฟกัสตรงนี้เราต้องให้มันเป็นเป้าหมายหลักของเราเป้าหมายหลักคือสอบผ่านบททดสอบของโพลล์สุภ า, าตาในดุลยาเพราะตอนนีญญ้เราอยู่ดุลยาให้เรารอดพ้นจากการสอบสวนในวันในหลุมฝังศพให้เราหลดุดพ้นจากความทรมานในวันเกียร์มาให้เรารอดพ้นจากการถูกลงโทษในไฟนรกตั้งเป้าหมายไว้มันต้องมีเงื่อนไขพี่น้องไม่ใช่แค่ตั้งเงื่อนไขแล้วจบ ชีวิตมันต้องมีเงื่อนไขแล้วมันต้องดำเนินไปตามเงื่อนไขในสุรทุลาลานะครับพี่น้องผู้รอดสุบฮานตะลาได้บอกไว้ถึงเงื่อนไขของผู้ที่จะประสบความสเร็จบอกไว้สเงื่อนไขด้วยกันถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงต้องผ่านให้ได้สามเงื่อนไขนี้ถ้าไม่ผ่านสามเงื่อนไขนี้คุณจะได้อะไรในดุญยาก็ตางกัคุณสาบตก คุณจะรวยหรือคุณจะจนคุณก็สอบตกถ้าคุณไม่ได้สามข้อนี้ถ้าคุณไม่ผ่านสามข้อนี้คุณจะเป็นผู้ชายคุณจะเป็นผู้หญิงคุณจะมีหน้าที่การงานที่ดีจะมีคนรู้จักจะไม่มีคนรู้จักอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่ผ่านเงื่อนไขสามข้อสำหรับมุสลิมถือว่าคุณล้มเหลวในชีวิตของคุณเรียบร้อยแล้ว มันต้องชัดเจนพี่น้องเราต้องโฟกัสต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนพวกเรากล่าวไว้ไงบ้างครับกอตอฟละฮามันตาซกาว่าและก็สมารบบิฮีฟอัลซัลลาดีนสองอาานี้แค่นี้จริงเลยมีแค่นี้จริงๆทําให้ได้แค่นี้ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเพราะเราบอกไว้ไงครับกอตอฟละฮาประสบความสำเร็จแล้วได้รับความสำเร็จแล้วได้รับชัยชนะแล้วใครเหรอที่ได้รับชัยชนะมุสลิมเหรอ มุมินเหรอมูซินเหรอพวกเราใช้คำที่ชัดเจนยิ่งกว่านั้นใช้คำที่เป็นเงื่อนไขพวกเราใช้คำว่ามันต่ละแกาคนที่จะประสบความสร็จนั้นคือคนที่เขาได้ขัดเกลวเรียบร้อยแล้วเงื่อนไขข้อแรกขัดเกลวขัดเกลวอะไรอะไรที่เราต้องขัดเกลว เราต้องขัดเกลาบ้านเลยขัดเกลาเหมือนขัดเกลว์เหมือนขัดสีรถไหมหรือว่าขัดเกลาอะไรสําหรับมุสลิมครับคําตอบเราชัดเจนเรารู้ว่าดุลยาคือบททดสอบเรารู้ว่าจิตใจของเราเป็นอารมณ์ไฟต่ำมันชอบแต่ทําสิ่งที่ไม่ดีงั้นสิ่งที่เราต้องขัดเกลาคืออะไรล่ะทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับเราไงครับขัดเกลาหัวใจของเราขัดเกลาความคิดของเราขัดเกลาคําพูดของเราขัดเกลามุมมองของเราขัดเกลา พฤติกรรมทั้งหมดของเรานี่คือสิ่งที่มุสซิมต้องขัดเกลาที่ผู้ล้อรวไม่เลยครับว่าก o อตอฟและแฮมันแต่รักกาผู้ที่ขัดเกลาจนสะอาดแล้วเนี่ยเขาจะประสบความสำเร็จการขัดเกลาก็แปลว่าอะไรครับมันต้องมีสิ่งสุขปกแล้วมันต้องมีสิ่งที่สะอาดถูกไหมครับ ขัดเกลาก็คือให้สิ่งสกปรกหมดไปให้มันเหลือแต่สิ่งที่สะอาดไม่ใช่สิ่งที่สกัดเอาหมดไปให้มันเหลือแต่สิ่งที่สกปรกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คําว่าแต่ละกาเนี่ยคือคําที่พวกเราคุ้นเคยกันดีครับสะกดนั่นแหละครับมุสลิมต้องใจสะกดต้องใจสะกาต้องใจสะกดต้องบริจาคต้องบริจาคต้องช่วยเหลือทำไมการช่วยเหลือทำไมการบริจาคทำไมการให้อาหารถูกเรียกว่าสะกดเพราะสะกดแปลว่าการขัดเกลา นี่คือมุมมองที่ชัดเจนที่สลามสอนครับในสโลตบอเพื่อกล่าวไงครับคุณมินอัมวาลิห์มซอดากอตันตูตโฮิรูฮุมวัตุจั ก, กีหิมบีหามุฮัมมัดเอย๋ยจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินของพวกเขาจากบรรดาผู้ศรัทธาเอามาแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะเอามาส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการบริจาคทานพเพราะใช้คำว่าซอดากอซอดากอคือการบริจาคทานในการให้ด้วยความสมัครใจ การให้เพื่อเป็นความช่วยเหลือให้เพื่อเป็นการบริจาคทานบริจาคไปทำไหมพู้เล่าที่ใบชัดเจนครับตูตอฮิรูฮมุมเพื่อทำให้เขาสะอาดวตุั ก, กี i ิมบ h a าแล้วด้วยกับการบริจาคนั้นเนี่ยมันจะขัดเกลาพวกเขาให้สะอาดขึ้นหนึ่งในความสกปรกของจิตใจคือการที่เรายึด ต, ติด ก, กับทรัพย์สินมากๆพี่น้องพอได้ปุ๊บเราไม่อยากจากมันไป ท, ทั้งทั้งที่ทรัพย์สินเนี่ยถูกเรียกว่าสะพับทองคําถูกเรียกว่าสะพับสิ่งที่มันต้องไปแต่พอเราได้มาปุ๊บเราไม่อยากให้มันไปแต่มันก็ต้องไปมันจะไปยังไงก็ไม่รู้แหล ะ, บ า, ละ 10, บางทีไปทีละสิบบางทีไปทีละร้อบางทีไปทีละพันทีละหมื่นทีละแสนมันต้องไปมันไม่ได้มาเพื่อที่อยู่กับเราเพราะชื่อของมันทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดก็คือทองคําชื่อของมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าซาฮาบุลค่าจะไปนะ ถึงเจ้าจะครอบครองข้าถึงเวลาข้าก็จะไปจากเจ้ายังไงก็ต้องไปจากเจ้าแต่มนุษย์เนี่ยหวงแห็นไงเพราะกลัวสูญเสียเพราะกลัวสูญเสียจึงอยากครอบครองเมื่อครอบครองก็อยากได้มากขึ้นแล้วก็อยากได้มากขึ้นแล้วก็อยากได้มากขึ้นแล้วก็อยากได้มากขึ้นความคิดที่อยากจะครอบครองมันเพิ่มความสกรปรกในหัวใจของเราพี่น้องลองสังเกตครับเวลาที่เราเดือดร้อนเนี่ยแต่เราพอจะช่วยผู้อื่นได้บ้างเนี่ย แล้วเราช่วยเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะพี่น้องเมื่อ น, นั้นเราจะรู้สึกมีความสุขอย่างแท้จริงลองดูยิ่งเราไม่อยากจ่ายเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแล้วเราได้จ่ายมันไปเนี่ยในส่วนที่มันจริงๆแล้วมันไม่ได้ทําร้ายใดเราเลยจ่ายแค่เศษเสี้ยวหนึ่งที่เรามีเรามีอาหารหม้อใหญ่บเริ่องต้นมีกับข้าวเยอะแยะแล้วแบ่งไปแค่จานเดียวบางทีเรู้สึกไม่อยากให้อยากให้แต่ของแย่แย่แต่ถ้าเราลองให้ให้ของดีๆแล้วเราเอาให้ แล้วเราคิดว่าอยากให้เขาล้อรักเราเมื่อตอนนั้นเราจะรู้สึกถึงความสะอาดที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราในความคิดของเรานี่คือจักระนี่คือการขัดเกลื่อนี่คือการทําให้สะอาดเริ่มจากทรัพย์สินเราทําให้มันสะอาดได้ทรัพย์สินเนี่ยมันจะสะอาดไม่ใช่ด้วยกับการเก็บอย่างเดียวแต่ตั้งด้วยกับการที่เรารู้ว่าจะใช้มันยังไงให้ตัวของทรัพย์สินสะอาด ให้ตัวของเราสะอาดให้ความคิดของเราสะอาดให้ศาสนาของเราสะอาดครับคุสม um, ah ินอัมวาลิมซาร์กตันตุตโตเฮรุมวัตสักกีมบีหาจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินของเขาเพื่อมาขัดเกลวพวกเขาเพื่อมาขัดเกลพวกเขาถ้าลราสังเกตได้ครับเรื่องของการขี้เหนียวอ่ะตรณีทีเหนียวเนี่ย ถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับเรานะถ้าเราสังเกตเขาหรือเราเห็นภาพเราจะรู้เลยว่ามันเป็นภาพที่ไม่น่าดูมันเป็นอะไรที่มันดูโสกกระโปะกับพี่น้องแต่บางทีถ้าเราทําเองเราไม่รู้ตัวไงพรเราห่วงเหนของเราเองไงเราไม่อยากให้คนอื่นไงเราอยากให้มันอยู่กับเราไงฉันจําเป็นจริงๆเนี่ยฉันต้องใช้จริงๆเนี่ยฉันต้องฉันต้องฉันต้องฉันต้องทางๆที่ยังเที่ยวได้ยังเอาไปฟุ่มเฟือยได้แต่กระบอกว่าฉันจําเป็นจําเป็นจำเป็นบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเรานั้นสกกระโปะหรือน่าเกลียดแค่ไหน เราไม่รู้ว่าเราหน้ารังเกียจแค่ไหนผมพูดถึงตัวผมเองก่อนแต่พอเราไปดูคนอื่นที่ทําพฤติกรรมคล้ายคืองับเราเราจะเห็นภาพชัดเลยอูทําไมไอ้เนี่ยมันแทนที่จะช่วยเขาได้เนี่ยหงแหนทรัพย์สินเล็กน้อยก็เราเป็นขี้ห่วงทําเป็นขี้งกยิ่งถ้าเราเป็นคนขอเรายิ่งเห็นภาพเลยอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยกันไกตัดญ้าเนี่ยมันก็ตั้งมาเป็นสามสี่เดือนเนี่ยสนิมขึ้นมาเต็มขนาดนี้แล้วเนี่ย ทำไมขอใช้นิดนึงไม่ได้เลยพอจะใช้ปุ๊บทำเป็นไม่ว่างขึ้นมาถ้าเราโดนกับตัวเราจะรู้แต่ถ้าเราทำเองเราไม่รู้เพราะนั้นเรื่องความขี้เหนียวเนี่ยพี่น้องเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่สร้างความสกปรกให้กับตัวเราจิตใจของเราแล้วก็ทรัพย์สินของเราผมไม่ได้บอกเราต้องจ่ายอย่างเดียวเราต้องบริจาคอย่างเดียวเพียงแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะ ควบคุมอารมณ์ของเราที่จะต้องมีการสูญเสียในเรื่องทรัพย์สินบ้างเราถึงจะเข้าถึงความสะอาดที่แท้จริงพเพือนเพื่อนรักาวาง่ครับก็อัฟลาฮามันแต่ซักก่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยต้องเรียนรู้ที่จะต้องขัดเราไม่ใช่ทําความสะอาดเฉยๆนะพี่น้องขัดพี่น้องเข้าใจใช่ไหมทําความสะอาดเฉยๆเนะี่ยบางทีเราเอ า, เอาน้ำลาดเอ่ออย่างมือเปื้อนนะเอาน้ําล้างมืออ่มือสะอาดแต่ถ้าขัด เราอารมณ์ประมาณถ้าเกิดว่าพี่น้องเอ่อมือเปื้อนสีอย่างเงี้ยพี่น้องไปทาสีอาทาสีบ้านนะมือเปื้อนสีเนี่ยล้างออกไว้ไม่ออกมันต้องขัดเหมือนจิตใจเราพี่น้องความชั่วเวลามันเกาะในใจเราเนี่ยมันก็มีทั้งความชั่วที่ว่ามันหลุดง่ายๆกับความชั่วที่มันเกาะกัดกินแบบยิ่งกว่าสนิมที่มันกินเหล็กกับพี่น้องที่มันเกาะอยู่ในหัวใจเราที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยมันมีความชั่วประเภทนี้อยู่เยอะแนะพี่น้องอยู่ในหัวใจผมอยู่ในหัวน้อหัวใจของพวกเราเนี่ย ความชั่วเพลียมันต้องขัดพี่น้องมันต้องถูมันต้องลงแรงมันต้องเหนื่อยมันต้องเสียสละเพราะฉะนั้นจะขัดเกลวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากคนที่พวดล้อให้มันง่ายสําหรับเขานอกจากบุคคลที่หัวใจของเขานะี่ยมีอีมานการขัดเกลาหัวใจจะเป็นที่รักสําหรับเขาในขณะที่คนที่ดื่มด่ากับความชั่วเนี่ยการขัดเกลาจะเป็นยาขมจะเป็นอะไรที่เขาไม่อยากทําเพราะขัดกเกลว์อย่างที่บอกก็คือข้อคุ้หมดเลย ซึ่งการที่เราต้องขัดเกลวเนี่ยครอบคลุมถึงสิทธิผู้คนด้วยเราต้องขัดเกลาใจิตใจเราในส่วนที่เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ในส่วนที่เป็นสิทธิของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลตานในส่วนที่เป็นสิทธิ์ของผู้คนสิท ธ, ธิที่เป็นสิทธิของเราคืออะไรที่เราต้องขัดเกลวครับต้องให้หัวใจสะอาดด้วยกับการทําอามันทําอิบารัดอย่าให้หัวใจตายอย่าเป็นคนที่ไม่เคยอ่านคุรานเลยก็คือเหมือนกับคนตายพี่น้องคนที่ไม่เคยอ่านกุรานก็เหมือนกับคนตายบางคนบอกอาจารย์ฉันอ่านไม่เป็น แล้วทำไมถึงอ่านไม่เป็นต้องถามตัวเองเราไม่ได้อยู่ในยุคที่ทุกอย่างมันง่ายเลยการเรียนรู้มันง่ายไม่ใช่เลยเรามีให้เ ร, รากนะ็ตุลข้ออ่านเยเยอะแยะเต็มไปหมดพี่น้องไปดูตรงไหนก็มีพี่น้องทางลายกลุ่มลายเนะี่ยมีเป็นร้อยอาจารย์นะมีแหละผู้เรียนก็มีแล้วทาไมเราไม่ใช่ผู้เรียนล่ะถ้าหมดถ้าถ้าเราบอกว่าเรายังอ่านไม่ได้และทำไมเราไม่ใช่ผู้เรียนเวลาของเราหมดไปกับอะไรหมดไปกับยุนยาบ้างหรือเปล่า หรือไม่บ้างแล้วหมดไปกับเยอะเลยเกือบทั้งหมดเป็นดุลยาก็อตอัฟลาฮามันตาซักแก่ต้องขัดเก้าในสิทธิ์ของผู้เ่าะอสเริ่มจากสิทธิ์ของผู้ว่าลอสต้องไม่มีชีริกในการงานของเราต้องไม่มีนิฟักต้องไม่มีการกลับเกอกในหัวใจของเราต้องไม่มีความสุขกับการที่บอกว่าฉันเป็นมุนาฟิกต้องไม่ใช่พี่น้องถ้าใครที่บอกว่าฉันมันนิฟักไงฉันมูนาฟิกไงแล้วพูดอย่างมีความสุขเนี่ยน่ากลัวเหลือเกินว่าเขาเป็นมุนาฟิกอย่างชัดเจนแล้ว คนประเภทนั้นพี่น้องระวงังพี่น้องออกห่างได้ออกห่างระวังได้เป็นไปเลยแต่ใครที่เขากลัวเป็นมูนาฟิกกลัวเป็นนิฟกักแล้วเขากลัวจริงๆแล้วเขาบอกฉันไม่รู้ฉันเป็นหรือเปล่าเนี่ยอินช่าล่ะคนนี้แหละคือบุคคลที่ยังมีโอกาสได้ดีอยู่เพราะทานายซันเบอรีบอกไม่มีใครกลัวการเป็นนิฟักนอกจากเขานั้นจะเป็นคนที่ปลอดภัยจากมันแล้วไม่มีใครที่จะมั่นใจในเรื่องของนิฟกัก คิดว่าฉันรอดอยูแล้วชัวรนอกจากเขาจะเป็นมุนาฟิกอันนี้ก็ต้องระวังพี่น้องเพราะฉะนั้นขัดเกลีหัวใจให้สะอาดด้วยกับการอ e ิคลาสอัลลอฮ์อิคลาสพี่น้องบริสุทธิ์ใจทําให้อัลลอฮ์รักอย่างแท้จริงคํานี้บางทีมันใกล้ตัวแล้วบางทีมันก็ไกลตัวใกล้ตัวในทฤษฎีไกลตัวในภาคปฏิบัติหัวใจที่มีความอ e ิคลาสคือหัวใจที่สะอาดเพราะฉะนั้นขัดเกลีอยากประสบความสำเร็จในชีวิตใช่ไหม ทำให้หัวใจสะอาดเริ่มต้นอีคลาสต่ออัลลอฮ์หลังจากนั้นต่อท่านอบีมุฮัมมัดสุลตานของมัยลิสลัมล่ะครับทาตามแบบอย่างของนบีอย่าไปเพิ่มเติมในศาสนาไม่งั้นกายงานเราก็สกปรกหัวใจเราก็จะสกปรกเพราะหัวใจที่ดื่มด่ากับบิดาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะทําตามสุนนะพี่น้องไปดูเลยหัวใจใดก็ตามที่ดื่มด่ากับบิดาเขาจะไม่มีความสุขที่ทําสุนนะเหมือนกับสุนนะชัดๆคล้ายวันเกิดของนบีให้ถือสินอด มีสักกี่คนที่ถือสินอดไม่เอาค้ายวันเกิดเรามาจัดงานเฉลิมฉลองรื่นเริงกันเอาให้เหมือนกับที่เชียร์ทำเอาให้เหมือนกับที่กาเฟ่ทําเราจะรื่นเริงเราจะมีความสุขทางท้ายที่ท่านมาีบอกฉันถือสินอดเพราะมันคล้ายกับวันที่ฉันเกิดเห็นไหมครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่น้องทิ้งสุนนะเราจะทําบิดา ท, าทันทีมันเป็นอัตโนมัติคนที่รุมหลงกับบิดาจะเกลียดสุนนะคนที่หัวใจเต็มไปด้วยสุนนะก็จะรังเกียจบิดา เพราะฉะนั้นครับขัดเกลาหัวใจเพื่ออัลลอฮ์มีความบริสุทธิ์อย่าได้อ้อวดอย่าได้อวดอ้างกับผู้คนกับเราซูนอย่าได้ทําบิดอะแล้วก็กับผู้คนครับพี่น้องกับผู้คนทั้งหลายการที่เราจะขัดเกลาก็คือช่วยเหลือเขาให้มากอย่าไปสร้างความเกลียดชังในหมู่ผู้ผคนอย่าสร้างความอิจฉาริษยาอย่าไปอวดอ้างอะไรให้เยอะเพราะความอิจฉาริษยามันเกิดขึ้นได้กับทุกคน บางคนก็บอกฉันก็แค่อยากแชร์ฉันกินของอร่อยอยากแชร์กับคนอื่นคนอื่นเขาได้กินด้วยไหมล่ะถ้าอยากแชร์งจริงชวนเขาไปกินด้วยสิถ้าจริงใจอ่ะนะถ้าจริงใจจริงจอ่ะนะแล้วบอกว่าอยากแชร์จริงๆอ่ะนะชวนเข้าไปด้วยเลยอ่าวอยากอวดคนนี้อาะไม่ใช่อยากแชร์กับคนนี้จริงๆใช่ไหมอ่าวชวนเขาไปเลยอ่าวันนี้นะฉันจะไปกินอาหารนี้เราไปกินกันฉันอยากให้คุณได้กินเหมือนกับฉันอันเนี้ยจริงใจหน่อย แต่ไม่ใช่แบบกินปุ๊บไปะยิ้มหน้าโชว์หลาต้องติดหน้าฉันด้วยนะต้องเห็นอาหารตอนฉันก็มึงจะตักให้เห็นอาหารเมนูแพงๆด้วยนะอันนี้ไม่ใช่แล้วพี่น้องอันนี้มันไม่มีความจริงใจแล้วถ้าจะช่วยโปรโมทร้านช่วยโปรโมทแล้วก็ดูร้านดูอะไรดูอาหารดูเมนูเจตนาเป็นอย่างไรสกรปรกอย่างไรพฤติกรรมมันจออกมาอย่างนั้นพี่น้องเพราะฉะนั้นจิตใจที่สะอาดเนี่ยมันต้องเป็นจิตใจที่ให้เกียรติเอาเหร ให้เกลียดเราศูลให้เกยียรดมนุษย์ท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุสลต่ามกล่าวเรื่องพฤติกรรมุสลิมว่าลแต่ดโคลุลเันแต่ฮัตตอตุมินูพวกคุณไม่มีทางจะได้เข้าสวรรค์จนกว่าพวกคุณจะศรัทธาวแลตุมินูฮัตตอต่ฮับบูแล้วเป็นไปไม่ได้ที่พวกคุณจะศรัทธาถ้าพวกคุณรักกันไม่ได้ตรงนี้ เป็นประเด็นที่เราต้องตรวจสอบตัวเองทุกวันเนี่ยที่เรารักได้แค่กลุ่มเราเนี่ยที่เรามองว่าถ้ากลุ่มอื่นไม่ใช่กลุ่มฉันเนี่ยมันต้องชั่วมันต้องผิดมันต้องเป็นกลุ่มชนที่ยึดติดกับดุนยาเท่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่พี่น้องของฉันแล้วใช่ไหมที่เรากลังพูดอยู่เนี่ยคือมีแค่คนที่ตามอุดมการกลุ่มฉันเท่านั้นที่เป็นพี่น้องมุสลิมของฉันเป็นอย่างนั้นใช่ไหม เราเชื่อมั่นในความโง่ของตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอถ้าผมขอพูดตรงๆนะเชื่อมั่นในความโง่ของตัวเองขนาดนั้นเลยใช่ไหมเพราะพอถามไม่มีใครบอกว่าเขาเป็นมุสตาฮิดพอถามโอ้ฉันไม่ได้รู้ฉันไม่รู้ฉันพูดตามกิตาบุ้นเตามสุนนะตกลงจะรู้หรือไม่รู้เอาให้แน่ถ้าไม่รู้ก็คือโง่ใช่ไหมถ้าโง่คือกำลังมั่นใจว่าที่ฉันยึดติด ก, กลุ่มของฉันแบบไม่ปล่อยเลยเนี่ยความโง่ของฉันตรงเนี้ยมันคือความถูกต้องใช่ไหม ฉันไม่สามารถรักคนอื่นได้เพราะมันผิดจากกลุ่มฉันอย่างนั้นหรือท่านนบบีบอกว่าไม่ใช่นะ ค, น ค, คุณไม่มีทางเข้าสวรรค์ถ้าคุณไม่ศรัทธาคุณไม่มีทางจะศรัทธาจนกว่าคุณจะรักพี่น้องของคุณให้ได้ซะก่อนฉันจะบอกให้ไหมวิธีง่ายๆที่จะทำให้พวกคุณรักกันท่านนบบีบอกท่านนบบีเสนอบอกให้ไหล่ะเรื่องง่ายๆที่ทาแล้วพวกคุณจะรักกัน ให้สลามกันมากๆแล้วจะรักกันเพราะปัจจุบันแบบที่น บ, บีบอกพี่น้องสลามจำเพาะพี่น้องให้สลามเฉพาะกับคนในกลุ่มนั่นแหละทุกกลุ่มอ้างสุนนะหมดให้สลามเฉพาะในกลุ่มที่เหลือมันไม่ใช่สุนนะยัดเยียดคือตอนเนี้ยเราไม่ได้มีแค่เจ็ดิบากลุ่มที่ท่านนบีบอกนะนะท่านนบีมุสลิมบอกประชาชาินี้จะแตกเป็นเจ็บสากลุ่มทุกกลุ่มลงในรถงดมีกลุ่มเดียวที่รอดผลตอนเนี้ยมันมากกว่านั้นแล้วพี่น้องมันกลายเป็นว่าสลับแทบจะทุกกลุ่มเนี้ย ถือว่าอีกฝ่ายนี่แบบเป็นกาเฟดหมดแล้วไอ้นี่มันปฏิเสธสิธิธรรมอันนี้มันไม่ยอมรับอันนี้มันไม่เชื่อตามที่ฉันเชื่อไอ้นี้มันไม่พูดเหมือนกับที่อาจารย์ฉันพูดทุกกลุ่มพิดได้หมดยกเว้นกลุ่มฉันไม่มีทางผิดใช่ไหมใช่ไหมมันใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่เราควรจะทํายังไงมุสลิมควรจะเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าเราควรจะเชื่อมันในความโง่ของเราจริงอย่างนี้ใช่ไหม เพราะทุกกลุ่มก็อ่างกิตาบุลละอ้างสุนนะแต่ถึงเวลาปุ๊บอธิบายเป็นชั่วโมงด้วยกับความคิดของตัวเองกิตาบุลละกับฮลิสมีแค่5นาทีหรือไม่ถึง5นาทีตกลงตรงไหนเละที่เป็นกิตาบุลละกับสุนนะตกลงความเข้าใจที่อธิบายนี่ยมันถูกหมดเลยใช่ไหมคนอื่นความอธิบายมันผิดหมดเลยใช่ไหมหัวใจที่สะอาดเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จนะพี่น้องอันนี้พ่อเลาะกล่าวไว้นี่นบีกล่าวไว้ผมยกไว้พี่น้องฟัง ตรวจสอบตนเองและพยายามพัฒนาตัวเองปัจจุบันเนะี่ยสลามเจาะจงเนี่ยเยอะครับแล้วยิ่งเจาะจงกับคนใหญ่คนโตคนดังเลยนะพอคนดังมาปุ๊บอุ้ยฉันอยากจะเสนอหน้าไปสลามเขาหน่อยขอมาสถ้าผมใช้สับแรงฉันอยากจะได้ไปสลามตัวเขาอยากจะได้ถ่ายรูปได้ไปติดรูปอะไรฉันถ่ายกับคนนั้นมาแล้วถ่ายกับคนนี้มาแล้วพอเจอคนยากไร้ไมีคิดจะให้สลามบางทีรังเกียดจเลยซ้ําบางทีเมินหน้าเลยซ้ํา ถาว่าสลามคนรวยสลามคนจนสลามคนมีเกียรติสลามคนไรเกียรติมันต่างกันตรงไหนท่านนบีเคยบอกว่ามันต่างกันท่านนบีไม่เคยบอกท่านนบีบอกคนให้สลามก่อนได้ผลรูนมากกว่าคนรับสลามท่านนบีบอกว่าคนรับสลามมาวายิบที่ต้องรับสลามท่านนบีบอกการให้สลามคนมากๆเนี่ยเป็นเหตุที่ทําให้มีความรักกันเป็นเหตุที่เราไม่มีอิมานเป็นเหตุให้ได้เข้าสวรรค์แต่ปัจจุบันสลามจำเพาะเนี่ยมันเยอะขึ้นจนหน้าเกลียดจงใช้คาว่าหน้ารังเกียจเลยพี่น้อง สลับเฉพาะต่อจงฉันจะให้สลับเฉพาะคนที่เขาฉันรักเท่านั้นเพราะถึงเวลาเกียดปุ๊บฉันไม่สลับ ม, มันแล้วก็คิดว่าฉันคือความถูกต้องที่ฉันคิดแต่มันถูกต้องแล้วถูกต้องจริงหรือเปล่าได้ศึกษาจริงหรือเปล่าเข้าใจจริงหรือเปล่าแปลกุรานเป็นแล้วหรือเปล่าเอาอย่างนี้ก่อนกุรานแปลเป็นไหมหะดิษแปลเป็นไหมแปลถูกไหมเข้าใจถูกไหมรู้สิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่จะทําความเข้าใจกุรานฮะดิษไหม ถ้ายัางไม่รู้เรียกว่าไม่รู้ถ้าไม่รู้ทําไมถึงเชื่อมั่นในความไม่รู้ของตัวเองได้ขนาดนั้นน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงครับผมเริ่มจากตัวผมเริ่มจากทุกคนเราอยู่ในยุคสังคมที่น่าเป็นห่วงแทนทีอน่อิสลามง่ายอิสลามง่ายท่านอับดุลโมฮัวหมัดสัมได้กล่าวไว้ครับครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนมาหานาับีแล้วก็ถามว่ายารสุสุลลลอฮ์อิสลามนาดีตรงไหนละ่ะอยากรู้ข้อดีของอิสลามส่วนไหนของอิสลามเหรือที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของอิสลาม ไอ้ยุิสลาไ ม, ม่ใครเนส่วนไหนของอิสลามที่เป็นจุดเด่นเลยนะท่านลบีมัสลอิมตอบครับไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยากอะไรท่านลบีบอกแค่สองอยา่างตูต์ตาอิมุตตามวะตักกรุสซาเลมอะลามันอารอฟตะว่มันลำตาอิมความงดงามของอิสลามความงดงามของมุสลิมคือการที่เขาเนะี่ยแบ่งปันอาหารให้กันและกันเพราะจุด ความสุขเริ่มต้นของมนุษย์คือการได้กินถูกไหมครับพี่น้องตื่นมาแต่และ ว, วันเนี่ยเราจะมีความสุขเป็นพิเศษถ้าเราได้กินของที่เราชอบเป็นพิเศษถูกไหมเพราะฉะนั้นความสุขพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนคือการได้กินอิสลามบอกนั่นแหละจุดดีของอิสลา ม, ดด อ, มยอยู่ตรงนั้นเลยจุดเด่นของอิสลามจุดเด่นของมุสลิมอยู่ตรงนั้นเลยเราพร้อมที่จะแชร์อาหารการกินกับผู้อื่นตุตัมุตตาร์อัมเราพร้อมแชร์อาหารการกินกับผู้อื่น บางทีเราซื้อข้าวผัดมาเอาเราซื้อกะเพรามาพอจะมีเงินเหลือแทนจะซื้อของเดียวซื้อสองกล่องเดี๋ยวเผื่อฉันเจอใครฉันจะได้แชะกับเขาจะเป็นคนที่ฉันรักคนที่ฉันไม่รักคนที่ฉันรู้จักคนที่ฉันไม่รู้จักคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขาไม่เดือดร้อนพอขับรถไปเจอปุ๊บ ก, กินข้าวหรือยังยังไม่กินเลยเนี่ยฉันมีข้าวมาสองกล่องเอาไปกล่องนึ่งไหมแบ่งกันกินถ้าสังคมเป็นแบบนี้พี่น้องว่าเป็นยังไงพี่น้องนี่คือจุดเด่นของอิสลามที่ทําให้สังคมแน่อยู่ขึ้นพี่น้อง สังคมโดยรวมเลยไม่จําเป็นต้องให้อาหารเฉพาะมุสลิมเด็ดซ้ำให้ได้หมดเลยแล้วไม่ได้จําเพาะเฉพาะมนุษย์นะให้กับสัตว์ยังดีเลยพี่น้องยังเป็นจุดเด่นของอิสลามชายคนนึงที่ทําความชั่วทํำไมเข้าสวรรค์เอาน้าให้สุนัขหญิงคนหนึ่งทําอามัณอิบาดะทํำไมลงนรกเพราะขังแมวไม่ยอมให้อาหารจนแมวมันตายตุตอิมุตตออามสํานวนท่านอบีพูดกว้างมากเลยให้อาหารเฉยๆเลย ให้อาหารมุสลิมให้อาหารผู้ไม่ใช่มุสลิมให้อาหารมนุษย์ให้อาหารคนที่ไม่ใช่มนุษย์ตุ๊ดไอมุตตอาหนี่เลยจุดเด่นของอิสลามแล้วจุดเด่นข้อที่สองคืออะไรวะตักกออุสลามอะลามอัลรอฮตะวะมัลลับไตแล้วก็คือการที่คุณเนี่ยให้สลามกับผู้คนไม่ว่าคุณจะรู้จักเขาหรือไม่รู้จักเขาพี่น้องหนึ่งในความทุกข์ของผู้คนเนี่ยเอาตัวเรากันหนึ่งในความทุกข์ของเราพี่น้อง พี่เราเคยเจอไม่บางทีเราเศร้าเราทุกข์เราทอเรารู้สึกแย่แต่บางทีพอมีใครมาพูดดีกับเราเนะี่ยมันเหมือนกับเป็นเหมือนกับน้ําฝนที่มาหล่อเลี้ยงชีวิตเราคือเรารู้สึกดีขึ้นปัญหามันยังไม่หายปัญหามันยังไม่จบแต่เรารู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะสู้ขึ้นต่อการให้สลามคือการขอพรดี่กว่าการพูดดีอีกขอให้คุณมีแต่ความสันตินะวันนี้ขอให้คุณมีแต่ความเจริญนะต่อขอให้คุณเนะี่ย มีได้รับความเมตตาจากพระมศุภานุวตารานะเป็นการกลั่นที่ออกมาจากหัวใจที่เรากั่นให้กับพี่น้องของเราเราอยากให้เขาได้เราก็ขอให้กับเขานี่คือความงดงามของอิสลามพี่น้องเห็นด้วยไหมละ่ะตั๊ดแต่มุตะอามวาตักอิลามอะลามันอร า, น า, ารบเตรวมนลำตาลิบนุสติมเราพอเข้าบ้านปุ๊บสิ่งแรกไม่ใช่ดา่าไม่ใช่ว่า สิ่งแรกคือให้สลามก่อนถูกไหมครับพอเข้าบ้านอัลสลามอัลลอฮุรับทุลลอวะบารักาตุอ่ามาดีคนอยู่ในบ้านก็รู้สึกสบายใจหน่อยไม่ใช่เข้าบ้านมาปุ๊บด่าก่อนไ อ, อ้นั่นอีนี่มันทำอะไรมันเข้ามาบ้านปุ๊บกราบเชี่งด่าว่าปุ๊บบ้านไม่มีบารักะมีแต่ความทุกข์แต่พอเข้าบ้านปุ๊บบิสมิลลาห์สลามอัลลอกุรับทุลลอวะบารักาตัเริ่มต้นงามเริ่มต้นสวยงามอารมณ์ที่จะโกรธบางทีมันก็จะเบาลงได้ ถ้าเราสลามออกมาจากใจสังคมเราทุกวันนี้ปัญหา อ, อย่างก็คือเราต้องเรียนรู้การให้สลามที่มันออกมาจากใจแล้วเราต้องให้สลามทั้งกับคนที่เรารู้จักกับคนที่เราไม่รู้จักกอาคนที่รู้ท่าเป็นมุสลิมอาสลามไว้กนรอบตัวเราบาระกาอาจจะช่วยเขาช่วยเขาไม่ได้ช่วยเขาได้ดัวให้เขาไปก่อนมันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทำได้ทุกคน แต่มันถูกมองข้ามด้วยกับดุญยาด้วยกับผลประโยชน์ในดุญยาด้วยกับอะไรก็ตามแต่มันต้องเป็นคนที่ฉันเป็นเอซีเขาต้องเป็นคนที่ฉันรักเขาต้องเป็นอาจารย์ของฉันเท่านั้นที่ฉันจะให้สลามพัอื่นฉันไม่ให้สลามฟะดาเกียร์อินนัฟาะติซิกกะรอสีดะกะรูมัยยะก์ชาบูญิจันนบัลอัลกุบะละดีอิสลามนารอัลกุบะรอซุมมาลแน่นอนผู้ที่ประสบความสาเร็จนล้นั่นะคือผู้ที่เขา ได้ขัดเกาวันนี้เราคุยกันถึงเงื่อนไขข้อแรกแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์วันพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันอีก2เงื่อนไขครับว่าอีก2เงื่อนไขที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงเนะี่ยนอกเหนือจากเราต้องเรียนรู้ที่จะขัดเกลาตัวเองตลอดเวลาทั้งในสิทธิที่มีต่ออัลลอฮ์สิทธิที่มีต่อเราสูวนสิทธิที่มีต่อผู้คนรวมถึงสิทธิที่มีต่อเราเนะี่ยยังมีเงื่อนไขอะไรอีกที่จะทําให้เรานั้นประสบ ความสำเร็จในชีวิตยอย่างแท้ จ, จริงครับผมก็ขอถ้าใครพี่น้องครับอาจารย์คที่สละมมากระ บ, บี่ชัดเจนจะจากุลโมลละขนาดครับอาจารย์อีซานะครับมุ่งมันทำรุ่นพี่ผมเองนะครับสลาะามาวันกุมสษรามบอบตัวลือกว่าประกาศทุกข์ข้างบังสบายดีนะครับผม คุณมโยดีนะครับสลามภูเก็ตชัดเจนครับวคุสลามัตุลลอฮฺวบรักกาตัคุณชายียรับชมตอบมาชาวลอครับผมคุณราฮานีสลามมายะลาชัดเจนวคุณสลามมาตุลลอฮฺวบรากกาตัคุณอาสาให้กำลังใจมานะครับแล้วก็สลามมาก็วรีคุสลามตุลลอฮฺวบรากกาตัคุณวดิยาหมัเดนครับนาทวีสงขาชัดเจนสลามมาก็วารคุณสลามัตุลลอฮฺวบรากกาตัเช่นเดียวกับคุณนารุงอรุณนะครับสลามมา แล้วก็พร้อมกับข้อความมาชาวละกบ า, าร์กุณสลามตละบาร์เกตุจากสืสิอร์แลนด์ชัดเจนนะครับคุณคานมารีนาก็สลาไมคุก็วันคุณสลาโมตละแกตูครับคุณไม่ดีมากกว่าดีสาาลาไมโครอบหนึ่งนะครับก็ว า, า, ร, ารีกุณสลาโมตละว่าบาร์เกตูครับพี่น้องครับชีวิตมันยากนะชีวิตมันยากชีวิตมันหนักชีวิตมันเป็นบททดสอบมันหนักแล้วเราก็หนักให้มันเต็มที่พี่น้องอย่าลืมนะครับฟาลากอตาฮามาลอักกบาไนไหนมันก็หนักอยู่แล้วมันต้องหนักอยู่แล้วในเมื่อมันหนักอยู่แล้วเราก็ หนักไปทีเดียวเลยให้มันจบไปทีเดียวนะพี่น้องหนักให้คุ้มหนักให้ผู้เอาล้อรักหนักแบบผู้ที่ประสบความเสด็จในชีวิตอย่างแท้จริงเรามาหนักกันให้เต็มที่ทุ่มกันให้เต็มที่ทําในสิ่งที่เราทําได้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังซึ่งเป็นความเสียใจที่มันจะไม่อย่างประโยชน์อะไรกับใครเด็ดขาดนะครับผมอัลกุลกาลีฮะดะวัสักฟุลลอฮ์ะลิวะลัคุมุริซัยลมุสซูมีนัมินคุลักษ์ฟุล إ ن นดี ا ل a l k a ا ل r al rahim s u b h a n a ح l د h al hamdika a s h ل d u la ilahaillallah ta a พบนุ่งนี้อิน ل าอัลลอ